ก็ถือว่าเป็นกับหน้าอัศจรรย์เรียกว่าพัทธรกับเป็นกับที่เจริญที่สุดแล้วนะกัปปัจจุบันวันในอดีตก็มีอย่างมากก็สองค์อย่างกับเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละสมณนะเรวตะและโสพิตะในพระพุทธเจ้าสี่องค์นั้นพระพุทธพระพุทธเจ้ามังคละผู้นําโลกพระองค์ก็บําเพญบารมี16อสงไขยกําไรแสนกับ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 อย่างพระโพธิสัตว์ของเราในก่อนที่จะมาเป็นพระเวสสันดรก็มาจากดาวดึงนะก็มาจากดาวดึงเมื่ อ, พ ร, อพระองค์บำเพ็ญบารมีมา16อสองไขยแสนกัปที่จริงแล้วถ้ารวมบารมีเต็มแล้วพระพุทธเจ้ามังคละนี้บำเพ็ญบารมีเต็มทั้งหมด80อสองไขยแสนกัปนะ80อสองไขยแสนกัปนับว่าเยอะมากนะ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 เหงื่อออกรักแล้วแล้วก็ไม่ยินดีในทีพอาดเริ่มค่ะว่าเริ่มกวนกยแล้วจิตใจไม่ค่อยปกติแล้วก็เกิดโกลาหนขึ้นเนี่ยนะเกิดพุทธโกราหนขึ้นครั้งนั้นเทวดาในหมื่นจักรวาลก็มาประชุมกันในจักรวาลนั้นแล้วก็พาการมาอ้อนวอนว่า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 ไม่ได้ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นจักรพรรดิเป็นต้นโดยที่แท้แล้วพระองค์สร้างบา ร, รมีมาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วโปรดนะโปรดโปร ด, ปร ด, ปรดตรัสรู้อ ม, มะตะบทเถิดเมื่อพระองค์ตรัสรูแล้วพระองค์ก็จะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอชะสงสารพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ได้รับอาราธนานั้นจะจะไม่รับคําเลยทันที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 ควรจะเกิดที่ไหนใครเป็นบิดาใครเป็นมารดามารดามีอายุเท่าไหร่อ น, นะเป็นตนเขาจะ้มีการไคร้ครวนเบ็ดเสร็จแล้วค่อยรับคำหลังจากรับอาราธนาแล้วก็จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางอุตราเทวีราชสกุลของพระเจ้าอุตระเนี่ยนะคว่าพระเจ้าเหนือว่ากันพระเจ้าเหนือนับถือว่าพระเจ้าเหนืออุตรแะแปลว่าทิศเหนือนะ หรื อ, อุตระแปลว่ายอดก็ได้แปลว่าเลิศก็ได้เป็นผู้ยอดเยี่ยมในอุตรานะครซึ่งเป็นนครที่สูงสุดเหนือนครทุกนครกระวาสุดเป็นเมืองเมืองเอกเมืองเลิศนั่นครั้งนั้นได้ปรากฏปาฏิหารเป็นอันมากปาฏิหารก็อย่างที่กล่าวไปแล้วในเรื่องบุพนิมิต32ประการในเรื่องของพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกร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 แล้วก็สวเทวดาชั้นจาตุมนั่นแหละโดยเฉพาะเท้ามหาราชมาทั้งหมื่นจักราวาลเลยมาคอยดูแลเปลี่ยนกะกันเหมือนกันครบทศมีา ส, าสิ0เดือนผ่านไปก็ประสูตริพระมังคละมหาบุรุษณมงคลราชอุทยานเชื่อว่าอุตระ อ, นนะอุตระมัุระอุทยานอัน่วว่าอันมีไม้ดอกหอมอบอวนไปหมด ไม้ต้นติดผลที่มีกิ่งและขาคบประดับด้วยดอกบัวต้นและดอกบัวสายในป่านั้นก็มีเนื้อกวางราชสีเสือช้างโคลานควายเนื้อฝานและฝูงเนื้อนาน า, นาชนิดเที่ยวกันไปถือว่าเป็นป่าที่น่ารื่นรมไอ้ไม่น่ารื่นก็น่าจะราชสีกับเสือนี่แหละนะวาอยู่เหมือนกันนะไม่รู้จะโดนกัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบ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 มีพระนางยะสวดีเป็นประธานณปราศาทนั้นพระมหาศาสตร์เสวยสุขเสมือนที่ผสุขเหมือนความสุขของเหล่าเทวดานะอยู่เก0 0พปีพระองค์ก็ได้ทรงพระอุรสพระนาวสีลวานะผู้มีศีลง้ในพระคันของพระนางยะสวดีพระอัคราเหสี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 สิเดือนบ้าง8เดือนบ้าง7เดือนบ้างอ่ะนะก็ตามสมควรจากนั้นไปก็เสวยข้าวมาุปายาตมีทิพโอชะที่เทวดาใส่เอาไว้อันนางอุตราธิดาของอุตราเศรษฐีณนะหมู่บ้านอุตราคามเรียกว่าตั้งชื่อตามอ่ะนะตั้งตั้งชื่อตามเมืองอ่ะนะส่วนใหญ่ก็ตั้งชื่อตามเมืองถ้าใครที่ประเสริฐที่สุดเจริญที่สุดดีที่สุดรวยที่สุดณนะหมู่บ้านนั้นก็ ใครเกิดณนะที่นั้นชื่อตามนั้นเลยอย่างภาษาราบุุ้นก็ชื่อว่าอุปติสะเพราะว่าเกิดในหมู่บ้านอุปติสะคามพระพโมคลานะก็ชื่อว่าโกลิตะเพราะว่าเกิดในโกลิตะคามเนี่ยนะก็ตั้งชื่อตามหมู่บ้านเลยหลังจากที่พระองค์เสวยข้าวมาุ ป, ปายาตก็ยับยั้งพักกลางวันณนะสาลวันก็เรียกว่าป่าสาละซึ่งประดับด้วยมาประดับด้วยไม้ดอกหอมกลุ่นมีแสงสีเขียวหน้ารื่นรม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 มีตาขา่ทองในคลุมเว้นจากการชมนมของฝูงมรึกนานาทันแลลว่าเงียบมา น, นประดับด้วยกิ่งหนาทึบนะที่ต้องลมอ่อนๆแกว่งไกวคล้ายฟ้อนรำถึงต้นนาคโพธิที่น่าชื่นชมก็คือพระโพธิสัตว์พอไปถึงแล้วก็ทรงกระทำประทักษิณเดินเวียนขวาเวียนขวาเนี่ยบางคนไม่เข้าใจ น, นนะก็เอามือเอาต้นมาเอาเอ า, เอาต้นโพเอาเจดีเอาไว้ข้างซ้ายตัว ก็นึกว่าอยู่ข้างขวาว่างั้นประทักปทักขวาหมายคาอว่า J จดีหรือต้นโพหรืออะไรที่ตัวเองนับถือต้องอยู่ด้านขวามือของเร า, เานะหมายถึงว่าสังเกตดูววิธีจะเดินให้เดินประทักศีลดิูยังไงสิ่งที่เราเคารพต้องอยู่ด้านขวามื อ, อนะถ้าอยู่ด้านซ้ายเขาเรียกว่าไม่เคารพเนี่ยนะถ้าอยู่ด้านข้างขวามือเราเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเคารพ ฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นก็ประทับยืนดั้งทิศอีสานตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จก็ลาดญ้าสันทัดญ่า48ศอกนะนะสันทัดเออแปดศอกประทับนั่งขัดสมาธิเหนือสันทัดญ่านั้นเครี่ยวเครื่องลาดที่ทําด้วยญ้าทรงอธิษฐานความเพียรอันประกอบไปด้วยองค์สทรงทําการพิจารณาปัจจยาการคือก็กล่าวนะว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นต้องเจริญอานาปานสติ ต้องระลึกชาติในปฐมยามรู้สัตวเกิดสัตว์ตายในมัชชิมยามพิจารณาปฏิจจสมุบาตในปชิมยามคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่พิจารณาปฏิจจสมุบาตคือโดยสมถะอนาปานสติโดยวิปัสนาเน้นปฏิจจสมุบาตแล้วก็ยังลงโดยธรรมนิจจาลักษณะเป็นต้นในสังขารทั้งหลายนะลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พระองค์ก็บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยลําดับแล้วก็แป่งอุทานคือตอนเช้าอรุณ์ขึ้นสว่างตรัสรู้พระ อ, อรหั ต, ตผลแล้วพระองค์ก็แป่งอุทานว่าอเนกชาติสังสารังสันถาวิสังอนิภิสังขหาการังคเวสันโตทุกขาชาติปุนาปุนังขหาการะกะทิทโศทปุนาเคหังนากาหส สัพพาเตภาสุกาภักขาค่ะกูตังวิสังคตังวิสังคารคตังจิตตังตันหาหนังขยมฉคาก็แปลว่าเราสแสวงหาตันหาหนายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบก็ท่องเที่ยวตลอดชาติสงสารเป็นอันมาก น, นะนะก็อันนี้พิสังก็คือไม่พบไม่ปะไม่เจอนะไม่เจอด้วยยานเนี่ยไม่เจอด้วยปัญญาเมื่อไม่เจอก็ต้องท่องเที่ยว ชาติคือการเกิดไหลไปตามขันธาตุอายตนะไม่มีจบมีสิน้นท่องไปเพรันทุกขาชาติปุณณปุนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นะขาหากาลกะทิทโศสิเมืั้นเราบอกนะดูก่อนตั้นหานายช่างผู้สร้างเรือนตัวท่านเราพบแล้วท่านจักสร้างเรือนไม่ได้อีกแล้วโครงเรือนคือกรรมของท่านเราก็หักเสียหมดแล้วโยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว จิตของเราถึงทรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้จิตของเรามีอาราหัตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาคืออาราหัตผลบอกว่าหลังจากที่ตรัสรู้พระองค์ก็มีรัศมีแห่งพระสรีระคือรัศมีสีหประการที่พุ่งออกจากะวรกายของพระมังคละพุทธเจ้ามีเกินยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์อื่น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 เจตนาที่ให้เป็นเจตนาที่ดีแล้วนะไม่ได้ให้เขาเอาคือก็ยกให้เขาไปแล้วอ่ะเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาอ่ะไม่ใช่ภาระของเราเพราะเราให้ไปแล้วสุธินังวัตะเมธานังทานที่เราให้ให้ดีแล้วเนาะก็เกิดปีติโสมนัสมากในสริระนึกถึงตอนให้ไม่ได้นึกถึงความตายของลูกท่านนึกถึงบุญที่ท่านให้นึกถึงเจตนาที่เสียสละออกไปคือเขาแยกว่าอะไรคือสาระ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 คิดก็ยังตกใจจะกล่าวไปยัยถึงธทำตามบางคนอนุโมทนาอย่างอนุโมทนาไม่ขึ้นเลยนะนะขนาดว่าท่านก็เหตุยังไงสมเหตุสมผลได้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระรศมีพระพูดถึงเหตุเมื่อไหร่ก็หน้าเบี้ยวหน้าบิดกันทั้งนั้นนละให้เกิดอะไรขึ้นนะทำไมน่าจะอนุโมทนาว่าท่านทําได้นะนะอนุโมทนาชื่นชมว่าท่านทําได้ <c oughs>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 แต่หมายถึงว่าแสดงว่าลานพระเจดีนี่ค่อนข้างใหญ่ท่านพิจารณาอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเจดีบางคนก็ไม่ใช่จุดทูบซะสาลามไมมหมดก็มีเนี่ยนะก็มีอยู่วัดวัดหนึ่งมาโหจุดทูบจุดเทียนในท่าไหนาไม่รู้วิหารผลานไปทั้งหลังเลยนะเจ้าวาดปวดหัวเลยเนี่ยเออจะซ่อมยังไงขึ้นมานี่หลายล้านเลยแหละแสดงเวลาจุดทูบจุดเทียนบูชาพระัตนะไตรใ น, ในวัดในวิหารในพระเจดีนี่ก็ไม่งั้นก็ดูแลให้ดีๆหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยผลานองค์พระเจดีแล้วก็เดือดร้อนแนครั้นี้ แทนที่จะบุญกลับเศร้านะปีติเกิดนิดหน่อยที่เหลือโทรมนัดเกิดตลอดเนี่ยนะก็ไม่ใช่ละก็ไม่มีว่าจุดจุดอันนั้นนะจุดไฟเจดีแล้วเอาไฟอันนั้นอนะ่ะบูชาไม่มีหรอกนะี่ยนะไม่มีในคัมภีแนละ้วก็ต้องเวลาจุดประทุอ่ะใครที่นักจุดทูบจุดเทียนจุดอะไรทั้งหลายก็ระวังให้ดีนะี่ยนะไม่ใช่ไปทําให้ทรัพยะเจดีเสียหายหมดอนะ่ะก่อนก่อนที่เราจะไปก็เจดีสวยดีนะพอเรากลับออกมาแล้วก็เจดีเสียหายหมดไม่ใช่อย่างนั้น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 คำว่าเย็นเหมือนเข้าไปอยู่ในห้องดอกบัวอย่างนั้นแหละจริงทีเดียวเชื่อว่าธรรมนี้แลย่อมรักษาบุคคลผู้รักประพฤติ ธ, ธรรมรำโมหเวรคติธรรมจารีรำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมผู้ใดประพฤติ ธ, ธรรมธรรมก็รักษาผู้นั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าทำโมหเวรคติธรรมจาริงรำโมสุจินโนสุข ม, มาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน ณทุคนะติงคัตชติธรรมมะจารีทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ทั้งสุขในปัจจุบันทั้งสุขในสัมปรายภพอันนี้เป็นอนิสงค์แห่งธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกคติ